กราบบูชาพระรตนตรัยขอกราบบูชาครูบ า, าจารย์ตั้งแต่หลว ง, งพุทเทียนหลวงพ่อคำเขียนและก็ครูบ า, าจารย์ที่อยู่ณที่นี้นะครั้งหลวงพ่อกรมพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์ทรงศิลและก็ขอนามส ก, การเพื่อนภิกษุเพื่อนสาธมิกขอเจริญพรแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งตามสบายเออถ้านับเวลาวันนี้สำหรับกลุ่มที่มาปฏิบัติ7วันก็เป็นวันที่6กลุ่มที่ปฏิบัติเข้ม40วันวันนี้น่าจะเป็นวันที่25้นะก็เหลืออีก15วัน จากระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อเช้าฟังหลวงพ่อคำเขียนท่านพูดดนะีท่านบอกว่าจะเข้มหรือไม่เข้มมันไม่ได้อยู่ที่เวลานะอยู่ที่เรารู้สึกตัวไหมนะมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญ <c oughs> ทีนี้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหรือการเจริญสติเนี่ยนะเป็นส่วน สำคัญนะที่เราจะใช้ในการพัฒนาตัวเราเองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒน า, าสติปัญญาเป็นปัญญาที่ไม่ใช่ปัญญาเหมือนโลกโลกนะปัญญาโลกโลกก็คือคิดหาเหตุหาผลแล้วก็สร้างวัตถุต่างๆอันนั้นเป็นปัญญาโลกโลกนะซึ่งก็ ใช้สำหรับการสร้างสรรค์สิง่งต่างต่านงะการทรมาหากินนะซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกเราทุกคนคงจะรู้จักกันดีแต่ปัญญาที่เราม า, าค้นหากันเนี่ยนะเป็นปัญญาที่จะให้เราเนี่ยนะหลุดพ้นนะจากการเวียนว่ายตายเกิดนะหรือความทุกขนะ์คาว่าเวียนว่ายตายเกิดในที่นี้นะก็เป็นการเวียนว่ายตายเกิดในจิตของเรานั่นเอง นะก็คือความทุกขนะ์ความไม่แน่นอนนะความที่ทนอยู่ไม่ไดนะ้นี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญญาเรียกว่าเป็นปัญญาสูงสุดถ้าเราศึกษาพุทธประวัติก็จะทราบดีว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเรียนมา18สาขานะท่านเป็นถ้าเรียกสมัยนี้ก็เรียกว่าด็อกเตอร์สิบแปริญญานะแต่ปริญญาสุดท้ายปริญญาที่19เนี่ย ท่านไม่ได้ไปเรียนที่ไห น, นท่านเรียนที่กายที่ใจของท่านเองการที่เรามาอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็คือเรามาเรียนรู้วิชาสูงสุดที่เจ้าชายศิทธถาได้ค้นพบนก็คือวิชากรรมฐานนี่เองแต่วิชานี้เนี่ยนในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก นะเนื่องจากมีสับแสงมากมายนะแล้วก็มีขั้นมีตอนมากมายนะบางคนก็ท้อใจไปแต่เมื่อเรามาที่วัดป่าสกุโ ต, โตแล้วนะหรือได้อ่านหนังสือนะของลุงพระเทียนก็ดีหลวงพ่อคาเขียนก็ดีหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์หลายท่านนะที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่ากรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยมันเป็นเรื่องตัวเราทั้งนั้นเอง มันไม่ได้เกี่ยวกับเป็นพระหรือเป็นโยมนะมันเป็นเรื่องของคนทุกคนนะที่มีความทุกข์แล้วก็อยากจ ะ, ะล่วงพ้นหรือหลุดพ้นไปจากความทุกขนะ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจการล่วงพ้นความทุกข์ของคนในยุคปัจจุบันนีนะ้ส่วนใหญ่ก็จะไปมุ่งเน้นหาวัตถุภายนอกมากบเกลือนนะไม่ว่าจะเป็นการได้ดูหนังฟังเพลงได้กินอาหารอร่อยอ ได้ทำอะไรที่ตัวเองพอใจนะอันนั้นก็ว่าเป็นความสุขแล้วนะแต่ก็สุขสุขทุกๆนะบางทีสุขมันก็สุขชั่วครั้งชั่วคราวนะแล้วมันก็กลับมาทุกข์อีกก็ต้องไปวิ่งหากันอีกนะการอาศัยวัตถุเนี่ยมันก็ทำให้เราสะดวกสบายนะแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่ามันไม่มีนะเราต้องวิ่งหาสแสวงหาอยู่ตลอดเวลา อยู่บ้านไม่มีความสุขก็ออกไปเที่ยวอยู่ในประเทศไม่มีความสุขก็ไปต่างประเทศไปต่างประเทศก็คิดถึงบ้านอีกวิ่งไปวิ่งมานะก็เหน็ดเหนื่อยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสกันอยู่จากความสุขตรงนี้นี่เองนะก็ทําให้เรากลับมามองดู ว, ว่าเอ๊มันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะที่มันอยู่ในตัวเรานะที่เจ้าชายสิทธัตถ์ได้ค้นพบนะก็คือ กายใจของเรานี้เองความสุขประเภทนี้เนี่ยนะเอ่อถ้าจะเรียกเป็นความสุขมันก็อาจจะไม่ใช่จริงๆนะนันะเราเรียกว่า อ, อ, อยู่เหนือความทุกข์จะดีกว่านะก็คือการที่เรามารู้จักความทุกข์นั่นเองการแสวงหาวิธีการที่จะพ้นทุกข์ได้นั้นจําเป็นที่เราจะต้องรู้จักทุกข์เสียก่อนการมาปฏิบัติหรือการมาศึกษากายใจของเรา ในส่วนใหญ่เนี่ย เ, เราจะมองว่าเรามาเพื่อทําให้เราสงบให้มีความสุขจากการสงบนะเช่นนั่งหลับตาก็ดีหรือทําอะไรสบายๆก็ดีเราคิดว่านั้นเป็นความสุขแล้วก็เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวอีกแล้วเราไม่กล้าที่จะเผชิญกับความทุกข์ที่มันแสดงตัวของมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวั น, นความสุขจากจากร่างกาย นะที่มันปวดเมื่อยที่มันร้อนอบอ้าวเจ็บไข้ได้ป่วยนะเราก็พยายามจะหลีกหนนะีการการที่เราพ้นทุกโดยการหลีกหนีไม่เผชิญหน้ากับความทุกเนี่ยนะเราก็ไม่ได้เห็นต้นเหตุมันจริงๆว่ามันเกิดตรงไหนและมันเป็นยังไงนะเราไม่รู้ความจริงแล้วก็วิ่งหนีมันอยู่ตลอดเวลาและบางคนวิ่งหนีจนตายนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ความทุกข์มันเป็นยังไงแล้วจะจุดหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นอย่างไรนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โดยส่วนใหญ่คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะวิ่งหนีนะพอพูดถึงทุกข์ปุ๊บก็หนีละนะแล้วก็ไม่เอาละทั้งทั้งที่ความทุกข์นั่นแหละนะมันจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่เขาจะมาสอนเราให้เรารู้จักเขาให้รู้จักแง่มุมต่างๆแล้วก็ให้รู้จักวิธีการที่จะ ที่จะหลุดพ้นจากเขาได้เพราะฉะนั้นการมาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนบางท่านนะก็หวังว่า <c oughs> มาครั้งแรกเนี่ยน่าจะสงบน่าจะเย็นน่าจะสบายแต่ที่ไหนได้มานั่งสร้างจังหวะยกไม้ย ก, ม, ยกมือเดินจงกรมอ้โหมันปวดมันเมื่อยนะสังเกตจากผู้ปฏิบัติในมาวันแรกๆกนี่ก็ น่าเห็นใจมากนะง่วงหลับง่วงนอนคอพับคออ่อนเลยนะบางคนก็กุมขมับเลยนะนั่งกุมขมับเลยเอาไงดีาบางคนนะ่าศรัทธามานี้ก็ดีนะพยายามที่จะฝืนทนบางคนที่หน่วยงานเ็าสั่งมาเนี่ยวันแรกแเนี่ยเรามาทาอะไรเนี่ยหน่วยงานให้มาทำอะไรกุมขมับเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้พบเห็นแต่ก็ยังดีใจนะว่า ก็กัดฟันสู้นะจากที่ท่านอาจารย์ทรงศิลป์หรือว่ า, าได้ฟังหลวงพวอคำเขียนเนี่ยนะก็เป็นกำลังใจให้เรามีกำลังใจฟื้นตัวขึ้นมาใหม่นะก็พยายามส่วนคนที่มีศรัทธาคนที่ตั้งใจนะก็คงจะได้เรียนรู้แล้วล่ะนะวันแรกแรกเนี่ยนะความง่วงเข้ามาเลยมาเสนอหน้าให้เราดูเลยนะเราก็ดูมั่งไม่ดูมั่งแลวเราไม่อยากดูมันด้วยนะแล้วบางทีเราก็ไปอยู่ใน อารมณ์ของความง่วงนะก็สยบยอมไปกับเขาเลยเอา้าหลับหน่อยพอพระเดินมากาต็ตื่นเอตื <c> ่น <oughs> นะคือเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเห็นท่านจันแจ็คแล้วก็ธรมาเนี่ยไปเดินผ่านบ่อยๆนะจริงๆไม่ได้ไปควบคุมอะไรนะไปให้กำลังใจนะพอเห็นพระเหลืองจะได้สะดุ้งตื่นว่านะ่จริงๆอันนั้นเป็นเจตนา บางคนจะเอ๊ะผ้ามาคุมเราอย่างเด็กอนุบาลหรือเปล่านะก็ไม่ได้เจตนาก็อย่างนี้คือเป็นการช่วยกันเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้ามาป่าสุกโตไม่มีรูปแบบนี้นะหลวงพ่อท่านพูดเสร็จแล้วเราก็ไปปฏิบัติเองคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าเท่านั้นแหละที่จะอยู่ได้คนที่อินทรีย์ไม่แก่กล้าเนี่ยจะอยู่ไม่ได้หรอกนะวันสองวันก็หนีละไม่เอาละไม่มีใคร แต่ยุคนี้นับว่าโชคดีนะมีท่านอาจารย์งศิล์มีครูบาอาจารย์หลายท่านเป็นเพื่อนนะช่วยให้กำลังใจกับพวกเราให้พวกเราได้ปฏิบัติต่อแม้ว่ามันจะท้อแท้นะวันแรกๆวันที่สองวันที่สามนะก็ดีขึ้นนะเท่าที่ฟังนะได้สอบถามก็เห็นว่าเออความง่วงมันก็น้อยลงนะเออความคิดมันก็ชัดเจนขึ้นนะแต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยนะก็ฟุ้งซ่านขึ้นมา นะสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้เป็นธรรมะที่เขามาแสดงให้เราดูแต่ใหม่ๆเนี่ยเราดูไม่เป็นหรอกนะเราดูไม่เป็นเราก็กลืนไปกับไอ้สิ่งเหล่านี้เช่นมันง่วงมันก็ง่วงหลับไปเลยพอมันฟุ้งซ่านก็คิดไปเรื่อยเปื่อยละนะอันนี้เป็นธรรมดาของคนเริ่มต้นใหม่ตัวกระผมเนต ร, รมาเองก็เป็นอย่างนั้นใหม่ๆไม่รู้เรื่องเลยนะหลวงพ่อพูดอะไรไม่รู้สมัยก่อนหลวงพ่อเทียนบอกรู้สึกตัวรู้สึกตัวหูเมื่อหูเมื่อเนี่ย เราไม่รู้เรื่องเลยมันคืออะไรนะคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนาะนาะยิ่งแต่ก่อนนี่เคยฝึกแบบอาณนาะปณสตินะสงบมุ่งสงบอย่างเดียวนั่งหลับตามุ่งสงบมันก็เย็นดีนะมันก็สงบได้เฉพาะในตอนที่เรานั่งหลับตาเท่านั้นแหละพอตื่นมามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมดีไม่ดีบางทีโกรธยิ่งกว่าเดิมอีกแล้วดีไม่ดีกลายเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านไปก็คือมันจะไปหวังจะไปสงบไปนิ่งไปหลับ อย่างนั้นะนั่นะนะนะคิดว่าอันนั้นคือความสุขนะที่ที่เขาสอนกันเพราะส่วนใหญ่สมาธิก็จะสอนกันแบบนั้นนะซึ่งจริงๆเนี่ยการทำอนาปปนาสติเนี่ย <c oughs> ถ้าเราทำให้ถูกนะก็คือขณะที่ เ, เราเราสงบเราอย่าไปจมดิง่งนะเราต้องถอนตัวมานะมีความรู้สึกตัวอย่าไปจมดิง่งนะนั้นก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสติ นะที่ที่เราสามารถจะท ำ, ทำได้แต่ส่วนใหญ่เท่าที่เราทำเนี่ยกำลังเราไม่พอนะกำลังสติเราไม่พอทีนี้กำลังสติมันมาจากไหนนะนี่ก็เป็น เ, เป็นโชคดีของพวกเรานะที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านได้คิดคนวิธีการาท่านมองว่าไอ้ไอลมหายใจเนี่ยมันละเอียดมันอ่อนนะ <c oughs> สติที่เกิดจากลมหายใจเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยาก นะท่านก็เลยพยายามทําให้มันง่ายขึ้นนะโดยการใช้การเคลื่อนไหวของกายนะการเคลื่อนไหวของกาย14จังหวะเนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกตัวได้ไวชัดแล้วก็ชัดเจนนะกว่าลมหายใจนะ น, นี้อันนี้จากจากตัวกระผมนิธมาเองได้ลองฝึกเปรียบเทียบดูเนี่ยนะการทําโดยการเคลื่อนไหวก็ดี การเดินจงกรมก็ดีเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะชัดนะเพราะเราทำกับสิ่งที่มีตัวตนลมหายใจเนี่ยจริงๆมันก็มีตัวตนนะแต่ว่ามันเบามากและมันอยู่ในตัวเรานะเราเรามองไม่เห็นแต่กายเนี่ยการเคลื่อนไหวของกายของมือเนี่ยมันชัด <c oughs> เพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะปลุกความรู้สึกตัวได้ง่ายนะตรงนี้ก็เป็ น, เ, ป น, เ, ป น, เ, ปนเทคนิคนะที่หลวงพ่อเทียนได้นาเสนอ เมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นป น, นวัตกรรมนะของยุค ป, ปัจจุบันนี้ในการที่ฝึกกรรมาฐานนะทีนี้การที่เราเมีความรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวเนี่ยนะมันก็ไปตรงกับกายานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานนะก็คือเป็นหมวดแรกเลยนะเป็นขั้นแรกเลยในสติปัฏฐาน4นะซึ่งตรงนี้ก็บอก เห็นกายในกายนะมีความรู้สึกในกายนะภาษาเนี่ยบางทีเราเราไปอ่านแล้วมันสับสนมัน ง, ง, งุนงงนะเพราะนั้นถ้างง ง, ง, งทิ้งไปเลยไม่ต้องไปดูเลยภาษานะนะเรามารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะการยกมือการเคลื่อนไหวการหยุดนะทำเนี่ยแรกแรกเนี่ยคนใหม่ๆทำช้าๆให้รู้สึกเคลื่อนให้รู้สึกหยุด นะจะไปทำแบบอัตโนมัติทุกๆ็อตช็อโอ้เห็นคนก็ทําเร็วแล้วก็เร็วบ้างนะให้เราดูความรู้สึกตัวชัดชนะทีนี้การทําความรู้สึกตัวคําว่าความรู้สึกตัวเนี่ยนะก็คือรู้สึกกับกับการเคลื่อนไหวของมือรู้สึกเฉยเฉยไม่ต้องไปไปถามว่ามันรู้สึกแยกแยะอย่างไงนะอย่าไปอย่าไปค้นหารายละเอียดนะถ้าไปค้นหารายละเอียดมันเป็นความคิดละ นะเรารู้สึกทีนี้เวลาเราทําไปเนี่ย <c oughs> บางทีมันมีความคิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปตามความคิดกลับมาที่รู้สึกที่การเคลื่อนไหวนี้แต่บางทีมันมีเรื่องคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้อย่าไปตามมันแลนะ้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวนี้ตรงเนี้ยเรากําลังเรียกความรู้สึกตัวกลับมาชีวิตของคนในโลกปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นะจะไปสัมพันธ์กับโลกภายนอก กานะรวิโลกภายนอกก็คือสิ่งที่มากระทบท่างตาท้งหูท้งจมูกทางนิ้นทงกายทางกายเราออกไปข้างนอกมากพอออกไปข้างนอกมากเนี่ยใจมันก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะนั้นการที่เรามายกมือเนี่ยก็คือการเรียกใจกลับมาอยู่กับตัวนะก็คือมารู้สึกตัวนี่เองนะตรงนี้จะเป็นจุดที่จะทำให้เรามีฐานที่มั่นนะฐานที่มั่นที่กาย ความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้เราเข้าไปรู้ในส่วนรายละเอียดการทำสร้างจังหวะ ก, ก็ดีเดินจงกรมก็ดีถ้าทำให้ชำนาญแล้วเนี่ยแม้แตะลมหายใจเนี่ยเราก็จะรู้ชัดอาณาปณสติที่เราเคยฝึกมาเนี่ยมันไม่ต้องไปตั้งใจเลยมันรู้ชัดได้เพราะความรู้สึกตัว ต, วตรงนี้มันไปเอื้อให้กับสิ่งที่ละเอียดอ่อนลงไป แม้แต่กับพิษตากลืนน้ำลายแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจเลยเมื่อเราเรียนทำความรู้สึกตัวตรงนี้เนี่ยเราก็ชัดเจนขึ้นลมที่เย็นลมที่ร้อนนะความรู้สึกตัวพอมันตื่นมันใช้การได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยสนใจเราก็จะสนใจขึ้นมาแม้แต่อาหารนาะน้ําเปล่าๆเนี่ยมันจืดน้ําจืดเนี่ยก็รู้รสชาติของจืดข้าวเปล่าๆมันมีรสหวานเราก็รู้นะ ถ้าเราอยู่ที่ป่าสุกโตเนี่ยบางทีเราเดินก็ไปในป่าตอนเช้าเนี่ยนะมันมจะมีกลิ่นดอกไม้ป่าหอมหอมอ่อนๆ่นานนี้เราก็สัมผัสได้เสียงนกร้องนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเราเรียกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่กับปัจจุบันการที่บอกปัจจุบันเราไม่ต้องไปเจตนาว่าจะต้องปัจจุบันแต่เรายกมือเนี่ยเรามีความรู้สึกกับการเคลื่อนไหวเนี่ย นะมันคิดอะไรขึ้นมากลับมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวนี้ทําให้มันบ่อยๆทําให้มันเรื่อยๆมันจะชนานาญขึ้นในระหว่างการฝึกเนี่ยนะมันก็จะมีความเคยชินเก่าๆ เ, นะเช่นความง่วงเนี่ยปกติเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยนะเราไม่เคยอยู่นิ่งหลักเดี๋ยวทานู่นเดี๋ยวทานี่เดี๋ยวทํานั่นเพราะนั้นใจมันทําไม้นู่นทําไม่นี่ทําไม้นั่นพอเรามาทํำในนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปทําหลายๆอย่างมันทําอย่างเดียว มันยกมืออย่างเดียวมันเคลื่อนไหวอย่างเดียวมันซ้ำๆมันก็จะเกิดความง่วงนะความง่วงมันก็จะมาแย่เราแล้ ว, ลวนะซึ่งตรงนี้พอมันโผล่ออกมาเนี่ยเราก็ต้องกลับมารู้สึกที่กา ร, การเคลื่อนไหวนี้อีกนะอย่าไปอย่าไปยอมจำนอนอย่าไปยอมจำนนกับความง่วงคิดว่าประสบาการณ์ที่ผ่านมาห้าหวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนนะก็คงจะสามารถเอาชนะความง่วงได้ คำ ว, ว่าเอาชนะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่กลับมานะมันก็กลับมาแต่มันอ่อนแรงมันไม่สามารถจะมาครอบงําเราได้เพราะเรารู้แล้วว่าโอ้อมันมีตัวต่อรองนี่คือความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนี้เป็นตัวต่อรองได้เป็นตัวที่สามารถที่จะไปต้านทานตรงนั้นได้นะพอเรารู้ทันเนี่ยความม่วงมันก็ไม่มีพิษสงล์ละมันไม่มีราคาลนะนี่ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เราประสบพบเห็นได้ นอกจากความร่วงแล้วมีอะไรอีกความฟุ้งซ่านใช่ไหมวันแรกๆอาจจะยังมองไม่ชัดพอมาวันที่สามวันที่สี่เริ่มชัดเจนขึ้นแต่มันยังมันยังไปตามความคิดอยู่มันยังคิดไปเรื่องนูน้นคิดเรื่องนี้อยู่ไม่เป็นไรนะกลับมากลับมารู้สึกตัวอย่าไปตามความคิดนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขามาแสดงตัวให้เราดูเราเคยชินที่จะตามความคิดแต่นี้เราเปลี่ยนนิสัยใหม่เราจะไม่ตามเขา เราจะเป็นเราจะมารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี้เขาเรียกว่านิสัยใหม่เป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวเรียกว่านิสัยแห่งสติแต่ก่อนเป็นนิสัยตามความเคยชินนะตามสัญชาตญาณเป็นสติสัญชาตญาณแต่เรามาทําอย่างนี้เนี่ยก็คือพัฒนาสติสัญชาตญาณเป็นสติปัฏฐานนะเพราะฉะนั้นเดยมีสูตรสูตหนึ่งว่ามหาสติปัฏฐานสูตร มหาสติเป็นสติใหญ่ไม่ใช่สติธรรมดาแต่คำว่าใหญ่ในที่นี้ไม่ใช่ปริมาณของสติมันใหญ่นะแต่ประสิทธิภาพความฉับไวต่อความคิดต่ออารมณ์มันจะฉับไวขึ้นเพราะนั้นคำว่ามหาสตินี้นี่คือความไวในการที่จะรู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันความง่วงรู้ทันความฟุ้งซ่านรู้ทันความดหดทู่รู้ทัน ความไม่สะดวกสบายรู้ทันความคิดมันจะรู้ทันแต่ก่อนเนียสติสามัญบางทีเรารู้ไม่ค่ยทันเนราก็จมไปกับอารมณ์จมไปกับความคิดนะพอเรามาทำอย่างนี้ขึ้นเนียสติจากสติสัญชาติยานเป็นสติปัฏฐานเนียสติเนียเาจะทำหน้าที่ปล่อยวางแล้วก็ถอนเองเราไม่มีหน้าที่ไปถอนเราไม่ได้มีหน้าที่ไปปล่อยวาง สติสัมปชัญญะเนี่ยเขาจะไปปล่อยวางเขาจะไปจัดการเพราะมันเป็นคู่ตรงกันข้ามสติกับความคิดเนี่ยนะลุงพระเทียนชอบเปรียบเทียบเหมือนแมวกับหนูสติเหมือนแมวความคิดเหมือนหนูแมวกับหนูมันเจอกันทีไรมันต้องจับกันนะ่ะนะตอนแรกแรกเนี่ยแมวตัวเล็ก <c oughs> หนูตัวใหญ่ก็เหมือนความคิดน่ยความคิดฟุง้งซ่านโอ้โหมันขึ้นมาโอ้โหใหญ่แล้วมันมันมันมาพาเราไป เราตามไม่ทันไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงแมวเลี้ยงอาหารนี้แมวการเลี้ยงอาหารก็คือการที่เรามาสร้างจังหวะการเดินจงกรมการมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนี่แหละตรงนี้แหละคือการให้อาหารแมวตรงนี้แหละคือการให้อาหารกับความรู้สึกตัวหรือสติเป็นการพัฒนาภาษาพาเรียกว่าภาวนาภาวนานี่ก็คือพัฒนาก็คือทาบ่อยๆทาเรื่อยๆรู้สึกเรื่อยๆแต่แน่นอนนะ มีหลายคนก็อาจจะไปตั้งใจมากอยากให้มันรู้สึกต่อเนื่องเลยนะถ้าไปตั้งใจอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีอาการหนึ่งที่แสดงออกมาคือจะจะมึนมึนหัวหรือตึงตึงหรือคลีดเครียดขึ้นมาอันนั้นมันมันตั้งใจเกินไปนะเพราะนั้นตรงนี้เขาส่งสัญญาณมาแล้วนะเราต้องสังเกตดูโอ้มันตึงๆเครียดเเอ้เราปล่อยปล่อยบาบางบ้างนะรู้บ้างเผอบ้าง แต่เผลอเนี่ยอย่าเผลอนานกลับมากลับมาเผลอบ้างรู้บ้างกลับมาเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติเนี่ยให้เราสังเกตสัญญาณของกายก็ดีของใจก็ดีเขาจะส่งสัญญาณมาให้เราสัญญาณนั้นถ้าเราตึงเครียดเกินไปมันจะมึนๆ ม, มันจะตึงๆมันจะมเมื่อยมันจะหนักๆบางคนจะอึดอัดบางคนจะอ้วกออกมาเลยนั่นแสดงว่าเขาส่งสัญญาณแล้วนะมันทนไม่ไหวแล้วนะ คลายๆหน่อยอาจจะเดินเดินเร็วไปช้าหน่อยนะยกมือมากเกินไปก็นั่งพักสักหน่อยก็ได้นะดูท้องฟ้าดูต้นไม้ดูนกนะคลายๆไปนะตรงนี้เราก็ต้องสังเกตหรือบางทีเดินเดินไปเอ้มันปวดต้นคอก็แสดงว่าบางทีเราจะก้มเกินไปไหมนะเราตั้งใจเพ่งจ้องจะให้มันเอาให้ได้ความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงนะมัน อันนี้มันเป็นอาการที่มันจะแสดงหรือเดินไปนานๆมันปวดมันเมื่อยนะเออมันก็บอกแล้วนะมันปวดมันเมื่อยแต่อย่าพิ่งไปปุ๊บปั๊บทันทีอย่าไปนั่งทันทีนะก็คือให้เขาขอแล้วกันสักสามครั้งอ่ะปวดเมื่อยอ่อย่าพึ่งนะคือเราจะเปลี่ยนอีระบทก็เปลี่ยนด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวอย่าไปทำตามความเคยชินนะตอนนี้เรามาสร้างนิสัยใหม่เป็นนิสัยแห่งสติ เป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวการทำในรูปแบบเนี่ยนะท่านอาจารย์ทรงศิลเนี่ยพยายามให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเราเองสมัยก่อนหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยตัวกับผมเนตามาเองมาฝึกกับท่านเนี่ยท่านก็ปล่อยเลยเราเรียนรู้เองเลยนะไม่มีจะมาพูดมาคุยมากล่อมมาเปิดคำพูดอะไรให้ฟังไม่มีแบบธรรมชาติเลยแบบรุ่ยกันดิบดบเลยซึ่งตรงนี้เนี่ย นะมันก็มันก็ดีในแง่ที่เราได้ฝึกตรงๆเลยเรียนผิดเรียนถูกเลยนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่แท้จริงก็คือตรงนี้นะครูบาอาจารย์ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดนะเพราะนั้นเราเรียนตรงนี้เรียนผิดเรียนถูกเราก็จะรู้ทีนี้มันมีสิ่งที่จะบอกให้ว่าถูกหรือผิดมันก็มีสัญญาณบอกนะถูกคื อ, อยังไงทำไปเนี่ยรู้สึกเออมันรู้สึกเป็นปกติปกตินะใจเราทาได้เรื่อย หนักบ้างเบาบ้างมันแสดงออกมาไม่ใช่จะโป่งตลอดไม่ใช่โป่งบ้างเบาหนักบ้างแต่เราไม่เข้าไปจมในอารมณ์นั้นมันโปร่งมันสุขก็อย่าเข้าไปจมดูมันมันหนักมันทุกข์ก็ดูมันนะดูมันอันะนี่คืออาการที่เราดูตรงเนี้เราจะทำได้เรื่อยๆทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะยายจะว่าแต่ผู้ปฏิบัติมาเลยไม่แต่ตัวทํามเองหรือกับผมเอง ฝึใหม่ๆเนี่ยก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันโปร่งมันโล่งนะโหเมื่อวานนี่นะทำแล้วมันโปร่งโล่งดีจังเลยวันนี้โหนหนักจังเลยเออเราทําผิดหรือเปล่ามันก็ไม่ผิดหรอกนะมันเป็นประสบการณ์ที่มันเข้ามารู้แต่อย่าไปจมกับอารมณ์ทีนี้บอกว่าอย่าไปจมเนี่ยมันก็ไม่ได้บางทีมันก็เผลอสิ่งที่จะช่วยให้เราไม่จมก็คือความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนั่นแหละสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องมือสําคัญเลยนะ ที่จะทำให้เราไม่จมไปกับความคิดไม่จมไปกับอารมณ์ไม่จมไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่เราต้องทําซ้ําๆทําบ่อยๆเพื่อเกิดความชํานาญแต่จะเบื่อเนาะะก็ธรรมดานะนะทำบ่อยๆทําเรื่อยๆนะมีเวลาเพราะฉะนั้นจะสังเกตไห้ว่าถ้าอาจารย์ปล่อยให้เราทําเลยนะแล้วก็ระยะหลังๆนี่พระจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งละ เราเลยนะไม่ต้องไปอาศัยผ้าเหลืองเป็นนิมิตให้ตื่นตัวนะเพราะเราเรามีอินซีแก่กล้าขึ้นมาแล้วนะหรือคนที่ปฏิบัติที่เก็บอารมณ์40วันเนี่ยวันผ่านมาเนี่ยก็น่าจะได้ได้ได้รู้ได้เห็นตรงนี้บ้างนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งสำคัญนะรูปแบบเนี่ยโดยเฉพาะอย่า ง, งิ่งคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยจำเป็นนะมี หลายคนอาจจะบอกไม่จำเป็นนะจริงๆ จ, จำเป็นเมื่อเรารู้รูปแบบดีแล้วเนี่ยถ้าความรู้สึกตัวเราชาติกับการเคลื่อนไหวรู้เท่าทันกับอารมณ์กับความคิดในรูปแบบแล้วเนี่ยมันจะติดนิสัยไปพอระครังม้งเลิกเนี่ยเราก็ยังรู้สึกตัวเราก็เฉยๆไม่ใช่พอมงดีใจเฮ้ hey, เลิกแล้วได้เวลาไปกินข้าวแล้ ว, ลวบางคนก็เฮ hey, ดีแล้วก็คุยกันต่อสติที่เราฝึกมาเนี่ยหายหมดเลย ถ้านะสังเกตดูตรงนี้เนี่ยพลาดไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นสังเกตดูคนที่มีสติรู้ตัวเนี่ยพอมุ้งเนี่ยเขาเอารู้ก็เตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของแต่เขายังมีความรู้สึกตัวอยู่นะแล้วก็เดินไปไม่พูดไม่คุยไปถึงที่สาราหน้าขณะที่เดินก็มีความรู้สึกกับการก้าวเดินขณะก้าวเดินไปมีความคิดแว บ, บมากลับมาที่การก้าวเดินนะคิดแว บ, บกลับมา ไม่พูดไม่คุยเดินไปไปถึงที่นั่นก็ไปนั่งสร้างจังหวะนะพอมาตักข้าวก็พิจารณาดูตามความเหมาะสมนะตอนตอนรับอาหารเนี่ยนะถ้าคนเผลอสติเนี่ยจะกลายเป็นเปรตทันทีเลยนะเปรตทันทีเลยจะเอาไอ้นี่นจะเอาไอ้นี่โอ้โหรีบเอาปุ๊บุปบ๊ปุ๊บปุ๊บางทีตักมาเยอะเลยแต่กินไม่หมดนะเนี่ยเนี่ยคือเปรตนะเปรตมันแสดงตัวเพราะฉะนั้น ที่สาราน่าเนี่ยนะมีโอกาสเผยิสด็์ได้มากเข้าไปในชุมชนเนี่ยประด็นอันนี้ถ้าเราเรียนรู้เราก็จะสังเกตได้ง่ายตัดอาหารมานั่งรับทานาเคี้ยวให้ละเอียดอย่างที่ท่านจรนทวงศินท์้พาพาพวกเราทำในวันวันที่สองหรือวันที่สาวันหลังๆนี่ท่านปล่อยแล้วเพราะว่าเห็นแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเราก็คงจะฝึกกันนะนี่ก็คือ เพราะฉะนั้นจากรูปแบบเนี่ยมันจะนำไปสู่นอกรูปแบบโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เนี่ยโดยที่เผลอบ้างรู้บ้างนะความรู้สึกตัวมันจะชัดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญนอกจากทำในรูปแบบแล้วเราก็ทานอกรูปแบบด้วยนะในการกินในการขบในการฉันในการอาบน้า ในการแปลงฟันในการทำกิจวัตรต่างๆเข้าห้องน้ำนะสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้หรือแมาแต่การทำงานวันนี้ท่า น, านเริ่มเริ่มให้ลองทำงานลนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวเราก็จะชัดแต่บางทีอาจจะอาจจะลำบากนิดนึงสำหรับคนเริ่มต้นใหม่นะนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่ได้จากตัวเองนะที่เคยได้ฝึกได้ทำนะทีนี้เมื่อเราชัดเจนกับกาย มีความรู้สึกตัวที่กายชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปรู้สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาสุขทุกข์ดีใจเสียใจเฉยๆปกตนินี่เป็นเป็นสิ่ง ท, ที่ที่มันมีอยู่แล้วอะเพียงแต่เราไม่เคยได้เห็นมันนะแล้วก็ความคิดความคิดก็จะชัดขึ้นแล้วความคิดนี่มันจะมีความคิดที่หลายรูปแบบ นะที่มาแสดงตัวมาหลอกล่อให้เราหลงให้เราลืมนะบางทีก็เป็นความคิดที่เป็นเรื่องอดีตบ้างบางทีก็คิดเป็นเรื่องอนาคตบ้างโดยเพราะคนที่ทําธุรกิจหรือคนที่มีโครงการหลายๆโครงการเนี่ยเดินจงกลมเนี่ยอาจจะมีหลายโปรเจกต์เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วในระหว่างการฝึกเนี่ยนะโครงการทั้งหลายความคิดทั้งหลายทิ้งไปหมดเลยอย่าไปสนใจมันเลยแม้แต่ความคิดที่ดีๆนะทิ้งเลยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย เราจะความรู้สึกตัวเราจะไม่ชัดเราจะพลาดอันะนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ตัวตัวเองและบางทีก็คิดคิดจะทําบุญคิดจะทํานูน่นคิดจะช่วยเหลือคนนูน้นคนนี้ในระหว่างนั้นอนะ่ะเนี้ยก็เป็นความคิดในรูปของความคิดอันะนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราดูดูอย่าเข้าไปเป็นแต่คําว่าอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแต่ถ้าเรารู้สึกตัวที่กลายเคื่อนไหวตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ก้าวไป ช่วยเหลือนะโดยที่เราไม่ได้เจตนาหรือตั้งใจเขาจะไปทำหน้าที่ของเขาเองและอันสุดท้ายก็คือทำนะรรมานุาษย์ปัสนานี้ทำก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะภายในร่างกายและจิตใจของเรานะดูอย่าเข้าไปเป็นอย่าเข้าไปร่วมกับเขาใช้ความรู้สึกตัวที่มีเนะี่ยที่เราฝึกไวนะ้มันจะถอนตัวออกมาถ้าถ้าชัดเนะ แต่ถ้ายังไม่ชัดเนี่ยมันก็มันก็จะถอนได้บ้างถอนไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะทำไปเรื่อยเรื่อยเริ่มต้นใหม่เรื่อยๆนะความสงสัยก็จะมีบ้างนะก็เป็นธรรมดาบางทีทําไปทําไปความสงสัยมันก็หายไปเองมันได้คําตอบแต่ถ้ามันตันจริงๆมันไปไม่ได้จริงๆก็มามาสอบถามนะครูบาอาจารย์นะคนที่มีประสบาการณ์ท่านก็จะชี้ชี้ช่องให้แต่ว่าที่ช่องไม่ใช่ว่าเราเข้าใจเลยนะ ต้องไปทเองนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ป่าสุขก โ, โตเนี่ย <c oughs> มีสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อประโยชน์กับเรื่องของการฝึกตรงนี้นะเพราะนั้นที่พวกเราได้ใช้ชีวิตกันมา6วันก็ดี25วันก็ดีนะคิดว่าถ้าเราทำจริงๆแล้วก็ตรงแล้วก็ถูกเนี่ยเราจะไม่ต้องไปถามใครเลยว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไง มันจะรู้จริงๆด้วยตัวเราเองว่าอ๋อมันคืออย่างนี้ไปถามเนี่ยมันก็ได้แต่เป็นจำครูบาอาจารย์ก็บอกก็จำเท่านั้นเองมันก็รู้จำมันก็ไม่ใช่เป็นตัวจริงถ้าเรายังสงสัยอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ของจริงถ้าถาแล้วอ๋อมันอย่างนี้เออเราแก้ปัญหาได้เออเรารู้เท่าทันความคิดเรารู้เท่าทันอารมณ์บ่อยๆเรื่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆตรงนี้แหละมันจะเป็นเครื่องชี้วัดเลยว่าเออเราเดินถูกทางแล้ว เออเราทำถูกแล้วเออเรามั่นใจแล้วและตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเองนะตรงนี้จะเป็นที่พึ่งนะถ้าเราทําถูกต้องเนี่ยเราจะสัมผัสกับความเป็นปกติของใจซึ่งเป็นพื้นฐานของคนทุกคนนะที่จะทําให้เรามีชีวิตอยู่และในความเป็นปกตินั่นเองนะมันจะมีความสุขที่มันมีโดยธรรมชาติ นะแล้วก็มีสติปัญญามีปัญญามาพร้อมกันปัญญาในที่นี้คือปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดร่างกายนะความแปรเปลี่ยนต่างๆที่เกิดขึ้นนะที่เรียกว่ากฎของไตรลักษณ์น้ำก็จะเห็นชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่จะรู้จะเห็นได้แน่นอนนะเป็นสิ่งที่ได้ประสบพบเห็นมาอันะนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นการเล่าสู่กันฟังนะก็คิดว่าอยากย้ายกำลังใจพวกเรานะว่าที่เรามาเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะเป็นบุญกุศลมหาสารที่เราได้มาร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แม้ว่าบางคนไม่ได้ตั้งใจมาหน่วยงานเขาส่งมาก็าตามนะคิดว่าคงจะได้อะไรไปบ้างนะไม่มากก็น้อยอย่างน้อ ย, อยก็ความรู้สึกตัว กลับมารู้สึกตัวมีปัญหาอะไรกลับมารู้สึกตัวเครียดก็กลับมารู้สึกตัวสบายก็กลับมารู้สึกตัวนะตรงนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีใจเป็นปกตินะไม่ฟูฟูฟแฟบแฟนะเป็นเมื่อเช้าได้ยินหลวงพ่อพูดว่าคนล้าสมัยคือคนที่ยังโกรธอยู่คนทันสมัยคือคนไม่โกรธแล้วนะก็คือคนทันสมัยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีใจปกติอะนะ คนที่ยังโกรธอยู่คนที่ใจยังกระพ้องกร้แพงยังฟูฟูแฟ่แฟนี่เขาเรียกว่าคนลาสมัยนะเพราะนั้นคนนั้นสมัยน่าจะเป็นคนที่มีมีสติมีใจเป็นปกตินะแล้วก็รู้วิธีการที่จะกลับมารู้สึกตัวได้อยู่เรื่อยๆบ่อยๆนะทีนี้เมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อกลับไปบ้านเนี่ยอย่าไปทิ้งนะอันนี้เป็นของวิเศษนะของวิเศษจากป่าสกัดโต เขาเรียกว่าตาวิเศษตาวิเศษเนี่ยถ้ายังไม่ถึงที่สุดยังไม่เปิดเต็มที่เนี่ยมีโอกาสหลับได้อีกถ้าเราไม่ไปฝึกนะมันก็จะกลืนไปกับโลกกลืนไปกับกระแสกลืนไปกับอารมณ์กลืนไปกับสังคมต้องหาโอกาสฝึกให้กับตัวเราเองเรากินข้าวได้วันละสามเวลาเรามาเจริญสติอย่างนี้ในวันหนึ่งจะให้เวลาบ้างไม่ได้หรือ นอนก่อนนอนนั่งสร้างจังหวะทําอยู่คนเดียวเงียบๆเดินจงกรมก็ได้แรกๆก็สิบนาทีสิบห้นาทียาวขึ้นอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยนะตาวิเศษนี้จะอยู่กับเราตาวิเศษคือความรู้สึกตัวคือสติซึ่งมันมีอยู่แล้วล่ะแล้วมันจะไปใช้ได้ในการดําเนินชีวิตซึ่งตรงนั้นจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นปกติสุขแล้วก็ ประสิทธิภาพในการทํางานจะดีขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขอะไรจากภายนอกมากมายเราก็ใช้ใจ่ายหรือใช้สิ่งต่างๆตามความเหมาะสมนะความพอเหมาะ พ, อ, พอดีไม่เป็นไม่เป็นธาตหรือไม่หลงไหลไปกับคําโฆษณาหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขามายั่วยวนนะให้เราหลงไหลนะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นชีวิตนะที่ ที่น่าสนใจนะที่เราน่าจะน่าจะทําให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เสียทีนะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พรพระพุทธศาสนาโนะดยเฉพาะได้มาวัดป่าสุกโตได้มาเรียนรู้วิธีการเจริญสติแบบง่ายๆแล้วไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้นะก็อย่าลืม นิสายแห่งสตินะต่อไปนี้นะไปฝึกแล้วก็พยายามทําอะไรให้มีความรู้สึกตัวใส่เข้าไปเคลื่อนไหวทําอะไรถ้าไม่สร้างจังหวะไม่เดินจงกรมในชีวิตประจําวันก็ใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปนะตรงนี้ก็จะทําให้เรามีชีวิตที่จเจริญก้าวหน้านะด้วยสติสัมปชัญญะนะแล้วก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความเป็นปกติสุขนะเรียกว่าสุขเกษมนะไม่ใช่สุขแบบโลกโลกนะ ก็ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของพวกเราการเสียสละเวลาเสียเงินเสียทองนะมาร่วมกันฝึกเจริญสติที่วัดป่าสุขโทแห่งนี้ขอให้ผลของการฝึกความภาคเพี่ยนพยายามของพวกเราทุกคนนะให้เกิดผลนะก็คือได้สัมผัสกับความเป็นปกตินะมีสติสัมปชัญญะนะอยู่บ่อย ในรวันนี้ด้วยด้วยการทุกคนทุกท่านเทิน